สำหรับการแนะนําคํา มาจาอิทธิบาท 4 ซึ่งมี 4 นี้คิดว่าท่านหลายยัง 4 เป็นคุณเครื่องที่ให้เป 4 เข้า เป็นอันว่ากิจทุกอย่างที่ๆอันนี้ก็ขอ 4 ก็ 1 ฉันทะ <c oughs> สองวิธีะความเพียรในการต่อต้านอุปสรรคสังจิตตะอจิต <c oughs> ใคร่ทราบว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะมีผลดีผลชั่วเป็นประการใดในก็เลือกเอาในสายเฉพาะที่มีผลดี 15 ประการของ 10 ประการ อาการทั้ง 3 อย่างที่กล่าวมาแต่คืนปล่อยให้บกพร่องแล้วท่านก็อย่าเสียใจมากทั้ง เป็นพระก็จะไม่มีผล คำว่ามรรคผลนี้ก็อนาคามีหรือพระอรหันต์เสมอ เพราะทำอะไรถ้าไม่มีกฎไม่มีกืนไม่มีอารมณ์ตั้งใจที่ มันเพราะว่าดีได้ยังไงบรรดาท่านทั้งหลายเพราะว่าไม่คันไปไม่หาจุดหมายปลาย ก็นี้มีอุปมาชั้นใดในการเจริญพระกรรมฐานก็เหมือนกันเราก็ต้องมีการตั้งใจว่าตั้งเกณฑ์ไว้ให้สูง ไม่ใช่บทตามประเพณีแต่คิด ชอบด่าพระด้วยกันเท่านี้เธอตายลงไปแล้วก็ไปเกิดใน <c oughs> เมื่อตั้งใจไว้สูงเหมือนกับเราขึ้นต้นไม้เพื่อว่าเดินทางเราต้องการขึ้นให้ถึงยอดๆถ้าไม่ถึงยอดอย่าง อันดีไม่ดีก็แต่กายเหนื่อย บางทีท่านจะบอกว่าสมัยนี้เขามันก็มีความจําเป็นถ้าเราไปนิยมตามที่บุคคล นี่เดิมทีเดียวกันอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาเค้ามีความมุ่ง บรรดาพระทั้งหลายจะเข้าปรินิพพานเมื่อ 3-4 ครั้งแบบนี้ท่านฟังกัน ปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผลออกมาเลยๆนี่ พอเสียงจากวิทยุเสียงจากขยายเสียงอะไรต่อไรของเรานี่เสียงบทเสียงเพลงของเรานี่ไม่มีเวลาพรรคการฟัง นั่นเราก็ได้เปรียบกว่าพระที่เข้าป่าพระที่เข้าป่าต้องยุงไม่แต่ก็ท่านก็สามารถทําความดีกัน แต่ถ้าบังเอิญเราทําดีไม่ได้ก็น่าสลดใจอย่างยิ่งก็แสดงว่าเราเป็นอภัพพะบุคคลเป็นบุคคลที่หาความเจริญอะไรไม่ได้นี่ก็ขอพูดต่อไปว่าเมื่อพระไปเรียนพระกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าความจริงท่าน ว่าเวลาที่เขาศึกษากับพระ และภิกษุสามเณรนับตั้งแต่วันพรุ่งนิดๆหน่อยๆพอ อันละบุลกบรรดาพระทั้งหลายลาพระพุทธเจ้าจะอะไรเธอ บรรดาพระทั้งหลายผู้นั้นก็จนใจไม่ มลายความดับให้หมดให้สิ้นไม่มีเชื้อเหลือหมายถึงความเป็นพระอรหันต์ ฉะนั้นคำขอบรรยายชาในสมัยนั้นจึงมี นี่เดิมท่านว่ากันมาอย่างนี้น่ะแต่สมัยนี้ท่านเปลี่ยนไปท่านแปลง องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดา 5 ที่ป่าอิติอิอีสิตนะ เพราะว่าพิจารณาแล้วว่าการทรมานกายนี่พระองค์ทรมานมาถึง 6 ปีเรื่องกายซูบหอมอดอาหาร พระองค์ทรงสําเร็จว่า 6 ปีไม่สําเร็จมรรค พิจรา racoon transition to torture propaganda พิจรามตาประพู Glass and social organization พิจรา racoon programing, 강ันブ Där because of the brasile คี่ยetto yaha ๆยังนี้ไม่ใช่ทางสำเร็จมากผลแน่ีบร้ามทางหละพิจรา racooning will carry a final place to choose for พิจรา racooning that the equipment must be supported the lovλέers 거야 운� kaufenที่สำเร็จอร่อยมาก จ็ Profでき allí haige pikku that they will work because of puts the destruction ofschDP ดูวาสัยติ เอเจนันองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงหันมาเสวยพระกยาหารเวลา เป็นรู้ว่าๆด้วยอาหารไม่ปฏิบัติตามแบบตาม สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เราจะไม่ยอมลุกจากที่ เราต้องการความดีต้องการความดีมีจุดนี้ ว่าสัตว์ที่เกิดมานี้ 3 ญาณ 3 องค์สมเด็จพระตรัสพลบรรลุอภิเษกสมาธิสมปุติญาณคือ ว่าธรรมที่เราบรรลุนี้ลึกซึ้ง 1 อุคคติตัญโญมี 2 วิปปติตัญโญ 3 เนยยะคน แต่ว่าจะสอนให้เข้าถึงสาราคมทรงศีลได้ 4 ปทะปรมะคนประเภทนี้ใช้อะไรไม่ ว่าท่านอารารดาบทท่านอารารดาบดและอุทกันดาบดทั้ง 2 ท่านนี้ซึ่งพระอาจารย์สอน 2 ตายไปเสร็จ ท่านจึงคิดว่าโอนหนอาจารย์ของ เมื่ออนุว่าท่านปัญญาวัคคีฤาษีทั้ง 5 นี้ถ้ารับ ขอเล่ารัดๆเวลามันน้อยเมื่อเข้าไปแล้วบรรดาท่านปัญญวาทีฤาษีทั้ง 5 ที่เราเรียกกันว่าจะต้องเว้นส่วนสุดสองอย่าง คือ 1 อัตตะกิละมาถานุโยคเว้นจากการทรมานตัวคือว่าอย่าอดอาหารอย่า แต่ก็ไม่สามารถจะบรรลุ บางทีก็แข่งขันเวลากันกุฏินี้ 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มตั้งใจว่า 1 กุฏินอนเสียงนาฬิกากริ้งอ้าวพอนั่งแล้วดูหน้าเราไม่ แม้กาปลุกเขาเพิ่งตื่นเราก็ไม่ยอมแพ้ นี่จำนะจำแล้วก็ฟังฟังจำจำแล้วก็ปฏิบัติตามห้ามการทรมานกายถ้า เวลาที่จะเริ่มภาวนาและพิจารณาขณะเดียวกันนั้นก็นึกอยากจะได้ อย่ามันจะเป็นโทษอย่าสร้างมันขึ้นมามันจะเป็น ก่อนที่จะเปลี่ยนนิยบทก็ค่อยๆเปลี่ยนนิยบทนั่งนานเกินไปถ้ามันทนไม่ เราภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ทําอย่างนั้นแหละแต่ว่าเดินหรือว่ายืนเมื่อนั่งยืนเดิน ก็ทําตามตอนนั้นไปเลยหรือว่าไม่พอจะในการนอนจะนั่งก็ได้จะยืน เวลาที่จะแนะนํากันสําหรับวันนี้ก็หมดแล้วแต่